ข้อความในคุตกานิกายจุลนิเทศโปสาลมานวกะปัญหานิเทศที่สิท่านพระโปสาลทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดไม่ทรงมีความหวั่นไหวทรงตัดความสงสัยเสียแล้วทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงย่อมทรงแสดงอดีตข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหา จึงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็คือชื่นชมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าพระองค์นี้ไม่หวั่นไหวนะพระองค์ตัดความสงสัยถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงสามารถแสดงอดีตได้ทั้งหมดมันก็เลยจะเข้ามาเฝ้าเพื่อถามปัญหาคำว่าโยตัวนี้เป็นชื่อของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์นี้เป็นสยามภูตรัสรู้เองไม่มีอาจารย์ ตรัสรู้พร้อมซึ่งสัจจะทั้งหลาย น, นะพระพุทธเจ้าไม่มีอาจารย์ในการตรัสรู้อริยศาสตร์เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายโดยเฉพาะอริยศาสตร์เนี่ยนะที่พระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในการก่อนทรงบรรลุซึ่งความเป็นพระสัพพัญญูในธรรมะเหล่านั้นและทรงบรรลุซึ่งความเป็นผู้ชํานาญในพระธรรมทั้งหลาย น, นะพระองค์นี้เป็นสัพพัญญูรู้สรร พ, พสิ่ง ตรัสรูอริยสัตว์และก็แม้กระทั่งทศพลายานเนี่ยนะยานที่เป็นกำลังต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีอย่างมากมายคำว่าพระองค์ย่อมทรงสแสดงอดีตความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงสแสดงแม้อดีตย่อมทรงสแสดงแม้อนาคตย่อมทรงสแสดงแม้ปัจจุบันของพระองค์เองและของผู้อื่น การแสดงถึงการ3เนี่ยพระองค์แสดงทั้งของพระองค์และของผู้อื่นเนี่ยนะถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงอดีตของพระองค์อย่างไรก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงชาติ1นสองชาติสชาติสีชาติ5ชาติ10ชาติ20 30 40 50มสิบสี่สิบห้าสิบร้พันหมื่นแสนตลอดสังวัตกรรวิวัตกรรเป็นอันมากว่าแสดงถึงอดีตของพระองค์นะว่าอดีตของพระองค์นั้นในภพนู้นมีชื่ออย่างนั้น มีโคดอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเศรษสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงนั้นก็ดํารงอยู่ในชาตินั้นนะนะมีอายุเพียงนั้นตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพชื่อโน้นก็มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้มีผิวพรรณอย่างนี้มีอาหารอย่างนั้นเสรษฐสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดใน พบนี้นั้นพระองค์ก็แสดงชาติก่อนเป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศก็คือเช่นเล่าถึงพระชาติต่างๆในชาดกนั่นนะพระชาติต่างๆของพระองค์เองว่าในาอดีตพระองค์เคยเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นอย่างเงี้ยแม้กระทั่งชาติที่พระองค์เป็นสุมเมธบัณฑิตเนี่ยนะทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงสแสดงอดีตของผู้อื่นอย่างไรก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอดีตของผู้อื่น อย่างนี้ว่านะแสดงอดีตของผู้อื่นแสดงใน1ชาติ2ชาติ3มชาติสีชาติ5ชาติ10ชาติ20 30 40 50 100ร้อยพันแสนชาติตลอดสังวัตกรรวิวัตกรรมเป็นอันมากว่า ในอดีตของผู้อื่นวันในภพโน้นผู้นี้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นกําหนดมีอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดในภพโน้นแม้ในภพนี้ท่านผู้นี้ก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดในภพนี้ พระองค์นี้แสดงชาติก่อนเป็นอันมาพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีดอย่างเช่นในชาดกนะเราจะได้ยินบ่อยคือเรื่องเคยมีมาแลว้วภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้เคยเป็นอย่างนี้แม่อดีตชาติแลว้วไงพองค์ก็เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังอันนะคนโน้นเคยเป็นอย่างนั้นมาแลว้วเรื่องเรื่องสำนวน ว, นว่าเรื่องนี้หนังหนังม้วนเก่าๆนะฉายซ้ําเท่านั้นแหละเรื่องแต่ละคนแต่ละคนก็เหมือนันเดิมนั่นแหละ หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงชาดก500เรื่องเนี่ยนะว่าอาดีตของพระองค์หรืออดีตของผู้อื่นพระองค์ตรัสมหาชนิยสูตรมหาสุทัศนสูตรมหาโควินทสูตรมคเทวสูตรอันนี้แหละชื่อว่าแสดงอดีตของพระองค์แล้วก็แสดงอดีตของผู้อื่นสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนจุนทะยานอันตามระลึกถึงชาติคอ ชาติก่อนของตถาคตปลารบถึงอดีตการมีอยู่ตถาคตหวังจะรู้ชาติก่อนเท่าใดก็จะระลึกชาติก่อนได้เท่านั้นเครว่าแค่นึกประสงค์จะรู้นะรู้หมดเลยจะอดีตยาวขนาดไหนก็รู้ได้หมดอะ่ะจะเนินจะนานขนาดไหนก็รู้ได้หมดอะ่ะกี่อาสงไขก็ได้เนี่ยนะประสงค์จะรู้เท่านั้นนะรู้ได้เลย หรือว่าแม้กระทั่งดูก่อนจุนทะยานอันตามระลึกถึงชาติหน้าของตถาคตปรารภของตถาคตนะั้นะมีอยู่ปรารภอนรณคตต่อไปนะดูก่อนจุนทะยานอันเกิดที่ควงไม้โพของตถาคตปรารภถึงปัจจุบันการการเกิดขึ้นว่าชาตินี้มีในที่สุดบัดนี้ไม่ได้มีต่อไปในพบใหม่แปลว่าบัดนี้ไม่ได้มีพบต่อไปอันนี้ก็แสดงถึงว่ายานอดีตเนี่ยพระองค์รู้หมดอ่ะนะอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะ ยานปัจจุบันก็รู้หมดแล้วก็ยานเนี่ยรู้ด้วยว่าเออชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วอนาคตเนี่ยปฏิสนธิไม่มีอีกต่อไปหรืออินเดียปโรปริยัตตยานเนี่ยนะยานเป็นเครื่องกําหนดรู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเช่นใครมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามากใครมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอ่อน พระ อ, องค์มีอาสยานุสยายานี่นะยานที่ยังรู้อาศัยะและอนุสยะเรียกว่ายังยังรู้ถึงอัธยาศัยของเขาว่าเขามีอัธยาศัยอย่างไรหรือกิเลส ท, ที่มีกําลังของเขาเนี่ยนะกิเลสเขาเป็นอย่างไรแล้วพระ อ, องค์ก็ยังสา ม, มารถแสดงยมกะปาฏิหาริยานี่นะยมกะปาติหารก็คือเป็นยานที่แสดง อิทธิปาฏิหารแบบคู่คู่คท่อน้ําท่อไฟไหลออกมาเป็นคู่คู่คทางตาทางพระเนตรพระกันเนี่ยนะช่องตาช่องหูช่อ ง, องจมูกช่องร่างกายตามขุมขนตามสรีระข้างหน้าข้างหลังเนี่ยนะเรียกว่ายมกะปฏิหาริย์ยาณและพระองค์ก็ยังมีมหาการุณาสมาบัติยานยานที่ประกอบไปด้วยมหาการุณาสวงสดิ์ไปเห็นใจในสรรพสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์มีสัพพัญยุตยาน ยานที่สัพพัญยูนะก็คือรู้สรรพสิ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งสังขาร น, นิพพานบัญญัติวิกาล ร, รูปเนี่ยรู้หมดเลยอนนาวรณญ า, านยานที่เนื่องด้วยอาวชนะไม่มีอะไรกางกันประสงค์จะรู้รู้ทันทีไม่มีอะไรติดขัดยานเหล่านี้ก็เป็นกําลังของพระตถาคตอนนาวรณายานอันไม่ขัดข้องไม่มีอะไรขัดในการทั้งปวงเป็นกําลังของพระตถาคตเนื่องจากพระองค์เนี่ยมี อาสาธารณยาน6เนี่ยนะอปปนิเหิติยานยานไม่มีอะไรกางกั้นในการ3ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วก็ยังมีอาสาธารณยาน6คืออินตริยโปรโปริยัติยานอายายนุสยะยานยมกะปาติหาริยานมหากรุณาสมาบัติยานสัพพัญยุตยานอนาวรณญ า, านอันเมื่อพระองค์มียานอย่างเงี้ย ด้วยสมบูรณ์ขณะนี้พระองค์แสดงไม่อดีตแสดงอนาคตแสดงปัจจุบันของพระองค์และก็ของผู้อื่นอย่างนี้คําว่าความหวั่นไหวนะว่าพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีความหวั่นไหวหวั่นไหวนี่เป็นเชื่อของตันห่าวันไหว้ด้วยตันหาราคาสราคาอภิชาโลภาอกุศลมูลเรียกว่าความหวั่นไหวตันหาอันเป็นความหวั่นไหวนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาญยอดด้วนให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงเชื่อว่าไม่มีความวันไหวไม่มีความวันไหวแม้แต่นิดเดียวตัหาเนี่ยเป็นเหตุให้หวันไหวนะนีสมมติว่ารู้ว่าจะได้อะไรก็วันไหวรู้ว่า จะต้องเสียอะไรไปที่ตัวเองชอบนะจะต้องหมดวัตถุนั้น น, นก็หวั่นไหวหวั่นไหวเพราะความห่วงเห็นในสิ่งนั้นๆอย่างสมมุตินนะอย่างคนได้บ้านกับคนถูกเขายึดบ้านเราเฉยเฉยใช่ไหมไม่หวั่นไหวอะไรเพราะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาอ่ะนะแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะเราจะได้บ้านปกติก็จะยิ้มละ่ะถ้าจะเสียบ้านก็จะเสียใจยเพราะตันหาเนี่ยเป็นเหตุให้หวั่นไหวติดข้องในสิ่งใดก็ต้องหวั่นไหวเพราะ สิ่งนั้นเนี่ยนะนั้นคนที่มีวัตถุอันเป็นที่รักมากคนนั้นก็มีที่หวั่นไหวมากนนะหรือผู้ที่หวั่นไหวโดยปกติทั่วไปก็หวั่นไหวเพราะโลกธรรมแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าไม่มีความหวั่นไหว้นนะ เพราะพระองค์นี้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงเชื่อว่าไม่มีความหวั่นไหวพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าไม่มีความหวั่นไหวเพราะทรงละความหวั่นไหวเสียแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงหวั่นไหว ไม่ทรงไหวไม่ทรงหวันเนี่ยนะไม่พรั่นไม่พรึงแม้ในลาบแมในความเสื่อมลาบในยศในความเสื่อมยศในนินทาสรรเสริญในสุขในทุกเนี่ยนะซึ่งปกติสัตว์ทั้งหลายก็วันไหวในสิ่งเหล่านี้นะเมื่อมีลาบก็หวันไหวละเสื่อมลาบก็หวันไหวได้ยศเนี่ยนะได้ยศเน้นบริวารยศเป็นต้นเนี่ยนะก็หวันไหวอีกเสื่อมยศก็วันไหวได้รับคําชมก็หวันไหวได้รับคํานินทาก็หวั่นไหว ได้รับความสุขก็หวั่นไหวได้รับความทุกข์ก็หวั่นไหวอันนี้ปกติของสัตว์ทั้งหลายแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีความหวั่นไหวในทุกอารมณ์พระองค์นั้นเป็นผู้ละความสงสัยได้แล้วนะสงสัยในอะไรปกติผู้ที่สงสัยก็สงสัยในอริยสัจว์4สงสัยในทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคสงสัยในอดีตในอนาคตในทั้งอดีตอนาคตสงสัยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะ อันใดความสงสัยอันเนี้ยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วตัดขาดบัณทอนสงบระ ง, งับเสียแล้วทําให้แม่อาจเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าทรงตัดความสงสัยได้แล้วพระองค์นี้เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผููถึงฝั่งก็คือถึงฝั่งแห่งอภิญญาถึงฝั่งแห ok ่งปริญญาถึงฝั่งแห่งปหานะถึงฝั่งแห่งภาวนาทรงถึงฝั่งแห่งสัจฉิกิริยาคือการทําให้แจ้งพระองค์ก็ยังทรงถึงฝั่งแห่งสมาบัตินะทรงถึงฝั่งแห่งความรู้ยิ่งซึ่งทําทั้งปวงอะนะทรงถึงฝั่งแห่งการกําหนดรู้ทุกสัตย์ถึงฝั่งแห่งการละสมุทัยสัตถ์ถึงฝั่งแห่งภาวนาในมรรคสัตถ์ถึงฝั่งแห่งการทําให้แจ้งในนิโรสัตถ์แล้วก็ถึงฝั่งแห่ง สมบัติทั้งปวงนั้นพระองค์นี้ผู้ที่ถึงฝั่งอย่างนี้เนี่ยท่านจะไม่มีชาติสงสารชรามรณะไม่มีพบใหม่อีกต่อไปเรียกว่าถึงฝั่งถึงฝั่งในที่นี้เน้นพระนิพพานเนี่ยนะผู้ที่ถึงฝั่งสุดยอดอย่างแท้จริงก็คือถึงฝั่งแห่งพบทั้งปวงก็คือพระนิพพานข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าว่า ง, งั้นคือเข้ามาเฝ้าเพื่อให้พระองค์ให้ทรงชี้แจงให้เห็นแจง้งเพื่อทรงเฉลย เป็นต้นสรุปความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดไม่ทรงมีความหวั่นไหวด้วยตันหาทรงตัดเสียซึ่งความสงสัยคือวิจิกิจฉาทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงแห่งอภิญญาเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็แสดงอดีต อดีตของตนอดีตของผู้อื่นเป็นต้นค่าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีคุณธรรมคือไม่ววนไว้ตัดความสงสัยถึงฟังแล้วก็สามารถแสดงอดีตทุกอย่างแม้กระทั่งอนาคตและปัจจุบันอันนี้ก็เป็นคำชมเล่าถึงความประสงค์ของตนก่อนทีนี้มาปัญหาที่จะสงสัยที่ต้องการถามว่าข่าแต่พระส ก, กะ ถ้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณของบุคคลผู้มีรูปปัสสัญญาอันผ่านไปแล้วละกายทั้งหมดแล้วเห็นอยู่ทั้งภายในและภายนอกอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีบุคคลนั้นอะ่ะควรแนะนําอย่างไรคําถามนี่ลึกซึ้งมากอนะถ้าได้อากินจัญญยาจะตระหน้าแล้วนะแนะนํำยังไงต่อไปเถ้าได้อกินจัญญาจตระหน้าแล้วนะแนะนํำยังไงต่อไปเนี่คําถามเขานะ้าหน่อย โอ้ไม่ธรรมดานะได้อากินมาแล้วนะ อ, อธิบคำว่ารูปประสัญญาเนี่ยนะรูปประสัญญาก็คือสัญญาความจำความเป็นผู้จำของผู้เข้ารูปปาวจรสมาบัติ คำว่ารูปปัจสัญญาเนี่ยหมายถึงรูปปาวจรฌานหรือของบุคคลผู้เข้าถึงแล้วซึ่งรูปปาวจรพบหรือว่าของบุคคลผู้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี้ชื่อว่ารูปปัจสัญญารูปปัจสัญญาเนี่ยนะก็คือรูปปาวจรกุศลรูปปาวจรวิบากรูปปาวจรกิริยารูปปาวจรกุศลก็มี5นะ้าระดับปฐมฌานทุติยฌ า, าน ต, าตัตยฌ า, านจตุทัชฌานและปัญจมชฌานส่วนวิบากก็คือวิบากของฌานทั้ง5ที่กล่าวไป ส่วนรูปปาวจรกิริยาของผ้รหันทั้งหลายเรียกว่าธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมเนี่ยนะคําว่าผู้มีรูปปสัญญาอันผ่านไปแล้วคือรูปปสัญญาของบุคคลผู้ได้รูปสมาบัติสี่เป็นสัญญาผ่านไปแล้วหายไปแล้วล่วงไปแล้วเลยไปแล้วเป็นไปล่วงแล้วกเรียกว่าผ่านรูปประชานหมดแล้วอะรูปประชานเนี่ยได้สบายมากผ่านแล้วอะ่ะ